ขอ oh, ความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านแต่รลงพระพุทธยานได้นำเสนอเมตตาบารมีมาโดยลำดับ ว, วันก่อนก็ได้มาพูดค้างไว้ว่าถ้าว่าเมตตามีกำลังมากพอจริงเวลาคนเราเมตตาประสบความทุกข์ใจก็จะเกิดการุณา และกรุณานั้นจะต้องมีกำลังมากพอต่อการขจัดวิหิงสาออกไปแต่ยังมีความคิดเบยดเบียนอยู่เนี่ยเจตใจความกรุณ า, าก็เกิดขึ้นไม่ได้และในขณะเดียว ก, กัานกรุณากต็ต้องไม่ ไ, ม ไ, มไรเหตุผลจนเกิดโศกะระถ้าปกติแล้วความกรุณ า, ากับโศกะมีผลดีใกล้กัน แยกกันไม่ออกอคล้ายๆกับความรักกับเมตตาเนี่ยฮะบางทีมันแยกไม่ค่อยออก <Okay. S 2> แต่ว่าถ้าคนตรวจสอบดูสภาวะจิตของเราเราจะแยกได้นะความรู้สึกจริงๆของเรานั้นเป็นเมตตาหรือว่าเป็นความความรักเป็นกรุณาหรือว่าเป็นโศกะตโศกตามปกติแล้วก็จะเกิดในยามที่ทคนสรบเมตตา ประสบความพิบัติแล้วเราก็ไม่สามารถจะช่วยได้หรือช่วยแล้วแต่เขายัางประสบภัยพิบัติแล้วทาใจไม่ได้ก็เกิดความโศก ค, ความโศกก็กลายเป็นทุกข์มันก็ขัดแย้งกับผลของธรรมะที่จะต้องออกมาเป็นความวดังนั้นจึงต้องไม่มีโศกะแล้วก็ไม่มีวิหิงสาคือความเปลี่ยเบียน จะเป็นเมตตาที่แท้จริงจึงจะเป็นกุลาที่แท้จริงและเมตตาเขาก็จะเดินของเขาเพราะว่าอย่าลืมเนื้อหาสาระของเมตตาก็คือมีความเป็นไปในการเกื้อกูลแล้วก็นำประโยชน์เข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ตนมีความเมตตาประสบด้วยลาภยศสันเริญ หรือความสุขตามปกติแล้วคนจะมักจะริษยาในความเจริญก้าวหน้าของคนอื่นแต่ด้วยฐานจิตที่มีเมตตาต่อเขาเป็นฐานอยู่ก็จะไม่เกิดความริษยาแต่จะเกิดมุทิตาหรือแม้แต่พวกอันโมทนาความดีทั้งหลายตรงนี้ก็ค่อนข้างมีปัญหาอีกแหละ เพราะว่าความริษยาเนี่ยเป็นสัมชาติยาดเด็ดเมีอาการประปนกันระหว่างโลภะโทสะแล้วก็โมหะความริษยาจึงเกิดขึ้นในกรณีที่คนอื่นเขาประสบความเจริญรุ่งเรืองโดยลาบยศสน์ถ่าาว่เราไม่มีเมตตาต่อเขาจะเกิดความริษยาจะถามว่าทำไมริษยาล่ะ อยากได้เสเองนะฮแต่เมื่อคนที่เราไม่มีเมตตาไปได้ก็แสดงว่าเรามีโทสะต่อตุกคนเราก็มีโลภในสิ่งที่เขาได้ก็ทําให้เกิดความริษยามุติตาจึงต้องขาจัดความริษยาออกไป แ, แสดงว่าความเข้มข้นก็ต้องมาทางเมตตานั่นแหละแต่ในขณะเดียวกันมุติตามันมีขั้สึกกล้าอยู่ เรียกว่าอุณิยะคือต้องการมีส่วนแบ่งหรือมีส่วนร่วมก็ออนี่คุณสังเกตว่าบางครั้งบางคราวคนที่เราเมตตาเขาประสงค์ความเจริญก้าวหน้าเราก็มุติตาเขาแต่ลึกๆนี่ก็อยากจะมีส่วนแบ่งมีส่วนร่วมอย่างน้อยก็กินเลี้ยงหรื อ, อว่าเขาได้ลาบได้ยศมาก็แบ่งให้เราบ้างก็ดี หรือว่าวันหลังก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุสนเราหน่อยอะไรเนี่ยเพราะในแนวมุติตาที่เราแสดงเราแสดงกันจึงไม่ไม่แน่เสมอไปว่ามันเป็นมุติตาจากข่าวคราวที่เราสังเกตแต่เราติดตามข่าวคราวทางสื่อต่างๆด้วยดําดักเราจะเห็นไอลักษณะสัจธรรมประการหนึ่งที่ท่านพูดไว้ว่า คนที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยกับคนที่อยู่แนอานาจจะไม่สามารถแยกได้ว่าใครจริงใจหรือไม่จริงใจกับตนเองคือใครเป็นมิตรหรือว่าเป็นศัตรูในร่างมิตรระยางใดที่เขาเสื่อมลาบก็เสื่อมยศเขาประสบควากก็จะเห็นจะชัดเจนว่าคนที่มีความจริงใจต่อตนเองมีสักกี่คน แต่เราสังเกตข่าวคราวเราจะเห็นกรณีตรงเนี้ยน่าศึกษาแต่ว่าที่จริงเป็นปนัญหาซ้ำซากคือธรรมดาสัตว์โลกเขาก็เป็นคอยอย่างนั้นแหละเพียงแต่ว่าเมื่อยามเรารวยเรามีหนาจวาสนาไม่ก็ไม่รู้จะไปแยกออกไดอย่างไง ก็เป็นความคิดภาย ใ, ในใจของเขากิริยาที่แสดงออกนั้นเราก็แยกไม่ออกระหว่างมายากับโอ้อวดกับเสแสร้งกาแข่งดีทั้งหลายมันแยกกันไม่ออกว่า <ร War S 1> เป็นความจริงใจหรือ<ต>ไม่จริงใจแต่นั้นมุติตาจะต้องกระจัดได้ทั้งสองข้อคือไม่ใช่เราคิดจะได้อะไร แต่ว่าเราก็ชื่นชมยินดีที่เขาได้พเราเมตตาต่อเขาแต่ตั้งเมตตากรุณาุมตตาเนี่ยเราจะเห็นว่าถึงจุดหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้จะเราปรารถนาให้เขามีความสุขความเจริญก็ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการกรุณาพยายามช่วยเหลือก็แล้วก็ไม่เป็นไปตามต้องการก็ต้องทําใจยอมรับถึงกฎ ซึ่งไม่มีใครเลี่ยงได้แล้วไม่มีใครต้านทานได้นั่นก็คือกรรมแต่เจตนาที่บุคคลเหล่านั้นกระทาลงไปงเขาก็เป็นไปตามกรรมของเขา <c oughs> ซึ่งในกรณีนี้มันเกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้สึกของคนในชีวิตประจำวันอยู่ด้ว <c oughs> ยเราเห็นว่าถ้าใจเราแกว่งไปได้วยความรักความชังอยู่เรื่อยนะะมันสะสมทั้งสองด้าน แต่เราจะจะเห็นว่าพวกนี้เป็นอาสวะสมุทัยด้วยกันคือเป็นเหตุเกิดอาสวะเหตุเกิดกิเลสด้วยกันทั้งรักทั้งชังกันเป็นอาการกิเลสรักก็เป็นอาการกิเลสประเภทราคะหรือโลภะชังก็เป็นอาการกิเลสประเภทโทสะตอนประตามปกติแล้วคนจึงมักจะเอียดเวลาเขาประสบผลกรรมของเขา แต่ว่าถ้าใจเราเดินมาได้จริงๆนะฮะมันจะไม่เอียงแต่จะมองเป็นกระบวนการของกลับส่คนเราก็เป็นอย่างนั้นแหละก็มีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันไดไว้ดีหรือชั่วก็ตามเขาก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกับนั้นแล้วก็ทาใจอุเบกขาคือไม่ ดีใจหรือเสียใจ <น S 1> ในความพิบัติเดือดร้อ น, อนของคนที่เราเมตตาแต่เขาไปประกอบอาถยา ก, กรรมแม้แต่ลูกรักเป็นดวงตาดวงใจเนะี่ยฆ่าคนตายเราก็ไม่รู้จะปกป้องอยังไงถ้าเราฆ่าคนตายก็ติดคุกเหมือนกันบรรลูกฆ่าคนตายก็ต้องเป็นไป ต, ตามกรรมนอกวิสัยที่จะช่วยเหลือ แล้วในขณะเดียวกันคือถ้าหากว่าคนที่เราเมตตานั่นแหละเขาดำรงมั่นคงอไหลาบยศสันเสริญสุขต่อเนื่องกันไปเราก็วางใจนะคคือวางใจเป็นกลางไม่ไปจุนจานบุ่นวายอะไรเขาใกล้ๆกับพ่อแม่ที่มีลูกฟังตั้งตัวเป็นได้เป็นเป็นฐานแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องไปเอาใจใส่จุกจำจี้จำชัยอะไรป่างนะ กังวังใจเป็นกลางได้มีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอุปมาแะ้รก็มาก็ชอบหรือท่านบอกว่าเมตตาพรมิหารเนี่ยมันเหมือนกับบ้านเมตตานั้นเหมือนกับดูแลบ้านทั้งหลังรับอบ้านทั้งหลังกรุณานั้นเหมือนห้องอาหารกับห้องน้ำซึ่งต้องใช้ในยามที่มีปัญหา ใช้ในกรณีที่มีปัญหาเท่านั้นนะฮนะแล้วก็มุติตานั้นเหมือนกับห้องรับแขกคือใช้ในกรณีที่ตอนรับแขกเบิกบานสันทนาการรื่นเริงบันเทิงใจกันนะภายในครอบครัวก็มานั่งรวมกันในห้องรับแขกสนทนาแลกเปลี่ยนสารทุกสุขดิบซึ่งกันและ ก, กันแต่ว่าเมื่อแขกก็กลับแล้วถึงเวลา น, นอนแล้ว ก็เข้าห้องนอนห้องนอนจึงเหมือนกับอุเบกขาแต่ไม่ชะ น, นอนโดยหลับไม่รู้นองคู่ไม่เห็นนะฮะอุเบกขาเป็นลักษณะปัญญาแปลว่าอุปาอิคขะคือเพ่งดูพร้อมที่จะปรับสภาพจิตตัวเองไปตามสมควรแก่ก <Okay, S 1> <ๆ>นณีสมมติว่าลูกหลานเราที่ต้องกดีอาญาสารตัดสินจำคุก เราแก้กหลุดพ้นจากคุกไม่ได้หรอกแต่ก็เรามองช่องทางที่จะบรรเทาทุกข์อะไรแกได้บ้างก็ไปเยี็มเย็นของขวากมีอะไรต่ออะไรไปชกวยกันก็ในฐานะของนักโทษนั่นแหละก็สามารถทําได้แต่พอดีเขาไปอยู่ในคุกแล้วปรากฏไปปฏิบัติโทษเป็นคนดีปรากฏว่าในรถโทษลงไปเป็นอันมากก็ออกมาก่อนกเราก็มุติตากับเขา แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดการุณาก็นำเอาสภาพเหตุการณ์ต่างๆมาย้ำเตือนเพื่อให้เธอได้สนักสำนึกสำเดียกแล้วก็เกิดความหลังจบสภาพจิตล้วก็เปลี่ยนไปได้อย่างนี้ซึงก็แสดงให้เห็นว่าลักษณะจิตที่เราเริ่มต้นโดยเมตตาในคนได้เนี่ย พรางั้นไอ้คนเนี่ยมันมันจะเปลี่ยนแปลงไปสีนะ่สถานะสถานะหนึ่งก็คือคนสัตวไม่ใช่สัตว์คือทั้งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยคนสัตว์โดยทั่วไปเราก็มีเมตตาคนสัตว์ที่ประสบปัญหาเราก็เกิดกรุณาคนสัตว์ที่ประสบความเจริญก้าวหน้าเราก็มีมีมุทิตาคนสัตว์ที่อยู่ด้วยคนกรำทั้งดีและไม่ดีเราก็ทําใจเป็นอุเบกขาไม่ลําเอียงไปด้วยอคติท้งสระการ ทีนี้เมื่อกล่าวถึงพวกอนิสงส์อนิสงส์แปลว่าผลที่ไหลออกหรือผลที่เกิดขึ้นหรื่อถ้าเรา ม, มองจากหลักธรรมที่เป็นพระบาลีพุทธวจนะอย่างเดียว น, นะฮะอนิสงส์ของเมตต า, านี่ยส่งแสดงไว้เยอะกว่าเพื่อนอสแสดงไว้ถึงสิบเอ็ดข้อหรือถ้าเป็นการแสดงในเอกสา ร, ร, รต่อๆมาเอกสารรุ่นหลัง แล้วก็ฟังได้นะมีเหตุผลฟังได้อธิบายถึงอานิสงส์ของสี่ห้าข้อแต่ละข้อนี้เยอะจังแต่สรุปแล้วก็คือผลดีงามทึ่งบางทีจะพูดหรือไม่พูดก็เกิดขึ้นในอานิสงส์ของเมตตานั้นทรงแสดงเป็นรูปของเมตตานนภาพคโนภาพของจิตที่กรอบด้วยเมตตามัน ตำนองอะไรล่ะสุดจดิคือกรอะบางสะพร้องมันเป็นธรรมะที่อบปุ้มคุ้มครองปกป้องรักษาอย่างที่จงแสดงว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมมันร่มใหญ่ป้องกันคนผู้กันร่มให้เปรียบฝนในเวลาที่ฝนตกตนคนที่จิตอยู่ด้วยเมตตาเนี่ยท่านบอกว่าหลับก็เป็นสุขจะนอนหลับในหลับง่ายแล้วก็หลับเป็นสุข เมื่อตื่นขึ้นมาจิตใจก็แจ่มใสแจ่มชื่นไปถ้าจะฝันก็ฝันในเรื่องดีๆไม่ฝันในเรื่องก็เรียกว่าไม่เห็นสุบินที่ไม่ดีงามคือสุบินทีิลามุกคือฝันเรื่องเลวร้ายทั้งหลายเนี่ยแล้วตัวขขาบุคคลนั้นเองเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายอยูไปในที่ไหนก็เป็นที่รักที่เคารพที่ชื่นชมของบุคคลทั้งหลาย มีพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านเล่าให้ฟังที่หลวงปูอะไรซมชื่อไปแล้วอยู่ทางจังหวัดแถวริมฝั่งนบอกว่าไม่ตาแรงมากแล้วมันสัมผัสได้ด้วยนะคือเราเข้าไปบริเวณวัดเนี่ยมันเย็นมันสงบเย็นแล้วเข้าใกล้ ย, ยิ่งสงบเย็น พระเรเหล่าเนี้ยบางทีก็ยศชั้นไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่พอเข้าใกล้ในสัมผัสเย็นที่เราเรียกว่าสุขาชาญาเหมือนกับตอนที่พระราหุลมาเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรกนะคะท่านเพลินท่านเป็นสุขท่านสุโท่านตื่นเต้นแล้วก็กราบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าร่มเงาของพระองค์เย็นดีจริงก็เรีสุขาชาญาคือให้ความสุขความสมุโม พวกเราผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามพระโพธ่สัตว์จะมีลักษณะอย่า ง, งานั้นเพราะาสัตว์จึงไม่กลัวแล้วก็สัตว์สนิทสนมคุ้นเคยที่จริงคนสัตว์เนี่ยถ้าปรับสภาพจิตให้สื่อสารกันได้นะติดต่อกันได้มันไม่เป็นภัยเป็นอันตรายกันนะแต่ว่าคนมักมองสัตว์ด้วยความกลัวแล้วก็อยากได้ดดอยากได้หนังอยากได้เขาอยากได้กาอยากได้อะไรเขาคือว่า มันความคิดมันเปลี่ยนเปลี่ยแล้วก็ทําใจไม่ค่อยได้ถ้าลองสังเกตว่าอย่างพวกสัตว์ใกล้ๆตัวเราพวกแมวพวกหมาพวกไก่อะไรอย่เนี่ยไก่ก็ไม่ค่อยคุ้นนั่นนะฮนะเพราะว่ายัางวางแผนจะกินเพื่อนอยู่แต่ว่าพวกสุนัขเนี่ยถ้าเราเมตตาเขาจริงเราก็สื่อสารกันได้แล้วเขาก็ไว้เนื้อเชื่อใจเรา เราก็วางใจเขาได้ว่าเขาไม่กัดวพราะันถ้าเราจเจริญเมตตาเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายก็จะรักจะเคารพจะนับถือจะศรัทธาตามสมควรแก่ท่านะแล้วก็เป็นที่รักของพวกอมนุษย์ อ, อมนุษย์ไม่เบียดเบียนนะะอย่างที่ทกรณีจะเมตสุต ท, ท, ที่พระสวดในพิธีบงคล เป็นการแสดงอนุภาพของเมตตาก็มีใจความว่ามีพระกลุ่มหนึ่งประมาณหกสิบรูปไปเจริญกรรมฐานในป่ า, ปาคือญาติโยมนิมนต์นนะฮะท่านก็ไปเดียวหาที่จเจริญกรรมฐานแล้วก็พักกำพรรศาญาติโยมก็นิมนต์ให้อยู่ในป่ า, บ, า, าบริเวณใกล้บ้านเขาก็จะดูแลรับผิดชอบเรื่องอาหาร แต่อนมนุ์มันรู้สึกไม่พอใจที่พระเข้าไปอยู่เพราะเขากา็ลำบากคือไปอยู่บนต้นไม้พวกลุ ก, กเทวดาภู<ร>มิเทวดาเนี่ยโดยเฉพาะลูกเทวดาเนี่ย<ร>เขาก็แล้วก็หลอกหลอนพระด้วยประการต่างๆเราตร้องหนีกลับไป้ า, า, าพ ร, าระพุทธเจ้านะไปกลยู่พระเจ้าก็รับสาให้กลับไปอีกท่านก็บอกไม่กล้าไปกลัว ปุจจาระสั่งว่าตอนก่อนนั้นเราไม่ได้ให้อาวุธไปตอนนี้จะให้อาวุธไปแต่อาวุธที่ว่าเนะี่ยคือธรรมอาวุธอาวุธคือธรร ม, มในตอนแรกใกล้ๆกับเป็นการสอนสอนตอนเองแล้วก็สอนเทวดาแต่ช่วงหลังสี่บรรทัดหลังเนี่ยนั้นเป็นการแผ่เมตตาจิตไปกแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายสร้างความเป็นมิตรแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายในที่นั้น มันก็อยู่เป็นปกติสุขแล้วก็บรรลุมรกรุ่นไปได้ไไดเพราะอะไรเพราะอมนุษย์มันรู้สึกเป็นมิตรอบอุ่นคุ้นเคยข้าส่งเสริมสนับสนุนไม่ทําตนเป็นอุปสรรคกัดขวางแล้วก็ทำให้ท่านเหล่านั้นได้สัปายะคือความสดุกสบายในด้านต่างๆก็บรรลุมรกรุ่นไปในทิตสมามในการต่อมาพวกเหล่านี้มันก็กลายเป็นคถาอยู่ป่าอย่างพวกที่ ตมาม้กินในป่าเนี่ยก็คือเป็นคาถานะฮะคือไปยืนที่ประตูป่าแล้วก็สวดพวกนี้กันนีย่เมตตาสูดขันทัพ ป, ปรินรไปสร้างไมตรีจิตเมตตาต่อพวกอมนุษย์ทั้งหลายต่อ ส, รรสัตว์ัต์ทั้งหลายแล้วเทวดาเองก็จะให้การคุ้มครองรักษาแก่คนที่เจริญเมตตาเนี่ยอยู่แต่ไหนก็ไม่เดือดร้อน คือเรื่องเรื่องตรงนี้บางทีเนี่ยเราก็ก็เกินเกินเหตุเกินผลไปนะเคยพบหนังสือใช้ข้อความต่างๆที่รุนแรงคล้ายๆกับพ ร, ระพุทธศาสนามีเนื้องอกอยู่อะไรแต่ละเยอะเ <ๆ S 1> ยอะแล้วว่าเนะี่ยแล้วบางทีเนี่ยเป็นฝีมือของพระเองบางทีก็เป็น ฝีมือของชาว บ, บ้านที่คิดว่าตัวเองก็เก่ง เ, เป็นนักปราศใจคือเราลืมมองโดยสภาพโดยสภาพความจริงว่าจําเป็นอะไรที่จะต้องเป็นพระพุท ธ, ธาศาสนาทั้งหมดล่ะเพราะจริงๆเนี่ยคําสอนในพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นปรพระพุทธไม่ใช่พระพุทธเจ้าสัสรู้ทั้งหมดหมายความว่าพระเจ้าสัจสรู้นั่นแหละแต่ว่าคนอื่นก็สอนอยู่ก่อนแล้ว ไม้แต่สีหน้าสีแบบเดี๋ยวมันก็มีอยู่ก่อนนะประการสำคัญมันอยู่ที่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยลดละควาชั่วดหรือไม่แล้วก็ทำความเพิ่มความดีขึ้นได้เช่นสมมติเราจะเมตตาต่อพระภูมิเจ้าที่เนี่ยมันจะเสียหายอะไรมีก็ใจเราก็สงบเย็นเรารู้สึกอบอุ่นมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงอยู่ สมมติไม่มีแต่เราแผ่เมตตาไปสัรปะสัตว์ทั้งหลายแล้วมันเสียหายอะไรก็ให้เราก็สผัสเมตตาคือประเด็นความคิดตัวนี้มันก็แปลกที่ว่าคนไปเที่ยวมองแล้วก็ใช้ที่จริ ง, งก็ใช้สักยญาติทิฏฐินะฮะความเห็นของตนเองนะใช เ, เ, เ, นะเราก็ไม่ต้องถึงก็เรียกมิจฉาทิฏฐิแต่ใช้ความเห็นของตัวเองมากไป โดยไม่มองไปที่เนื้อหาสาระคือในแง่ของหลักธรรมในตามพระพุทธศาสนานั้นภูมิปัญญาของมนุษย์เนี่ยมันต้องหาสาระได้ทั้งหมดเราเห็นว่าทุกสัตริย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วก็ดับไปแต่พระพุทธเจ้าสอนใได้สาระหมดทุกกรณีของทุกสัตริย์สมุทัยศาสตร์เป็นกิเลสแท้ๆแต่พระพุทธเจ้าก็สอนให้คนได้ประโยชน์จากสมุทัยศาสตร์ นิโรธเป็นผลสูงสุดพระเจ้าก็สอนให้คนสัมผัสผลลึกซึ้งขึ้นไปโดยลาดับมักเป็นกุศลล้วนๆแต่ว่าจะสอนให้คนได้รวดเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้ก็สอนไปทําลําดับเกือบรสนาคล้ายๆกับบันไดคือไต่ขึ้นไปโดยลำดับแล้วนั้นเป็นล้วนแล้วเป็นอุบายวิธีเป็นใบวิธีในการสอนธรรมะ เป็นวัวหารและเทศนาเป็นอนโมรมเทศนามันก็หลากหลายด้วยภาษาด้วยโวหารแต น, นั่นเองซึ่งเป็นที่น่าเสียดายว่าการสืบอายุพระพุทธศาสนาเนี่ยทาทายังไงนะชาวพุทธจะอวดดีให้น้อยลงหน่อยแล้วเคารพความดีของพระพุทธเจ้าให้เพิ่มขึ้นหน่อยเอาเฉพาะหลัก ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแสดงแล้วก็แม้แต่ว่าบางทีเนี่ยข้อความถ้อยคําของกวีกวีหวับอะไรไปบ้างก็ตามดูใชได้ประโยชน์ไหมเพราะเนื้อหาสาระของาศาสนาเนี่ยมันตัวประโยชน์ที่จะเป็นตัวหลักไม่ใช่ว่าจะต้องตรงทุกข้อกระทงความคือเนื้อหานี้จริงมันเข้ากันได้ ไม่ว่าอะไรก็ตามเราสังเกตแต่คือคืเนื้อหานี่เข้ากันได้ถ้าบางครั้งบางคราวก็เก้าราวอย่างนึ่งโจมตีอภิธรรมอภิธรรมมันเป็นธรรมะธรรมะที่อธิบายละเอียดออกไปแม้จะไม่เป็นประบาลีพุทธวจะนะทุกคกําก็ช่างเถอะเพราะว่ากันตามความเป็นจริงแม้ในประสู น, ะนยก็ไม่ใช่ทุกคํานะวินัยก็ไม่ใช่ทุกคํา แต่เนื้อหาสาระก็คือปรมัต ธ, ธรรมแล้วก็โจมตีโจมตีโจมตีอภิธรรมแล้วก็เรียกตัวเองว่ากลุ่มปรมามต ธ, ธรรมก็อภิธรรมมันเป็นปรมัต ธ, ธรรมมาโจมตีเลยก็มั่วมัวยังไงชอบกด น, นั่นนั่นคือแสดงมันขาดเมตตาจิตแล้วก็ขาดปัญญาที่คิดมองในรอบคอแล้วก็ให้เกิดอาการฉะนั้นงานตัวเองก็ไปไม่ถึงไหนหรอกอยงังด่ากดนั่นกดนี้อยู่ และธรรมะที่สื่อสารออกไปก็สร้างความสับสนแก่คนเพราะมายุติด้วยหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไวง้คนเราถ้าพูดตามที่พระเจ้าแสดงเนี่ยไม่ต้องห่วงนะพูดแทนกันได้ถ้าใครพูดผมก็คือกันต่างกันแต่ ว, วหาวิธีการสื่อสารแต่นนนเนื้อาสาระจะเป็นเช่นเดียวกันต้อฟังเท่าไห และรบพริยาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบูุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทุกกันสวัสดี